ก็เรื่อยๆถูกต้องไหมครับใช่ไหมครับหลวงก็คือนมอดูเป็นธรรมชาตินะแต่นี้บังคับเกินธรรมดาไปนิดนึงนะมันแน่มีผลผลิตมาตามกลับบ้านเหรอไปมาตามกลับบ้านครับอายุเท่าไหร่คนนี้หขวบแล้วแล้วหกขวบดูจิตเป็นยังเห็นไหมเวลาอยากอยากกินขนมอยาก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 สอนว่าลูกมีจะิตที่เหมาะกับกรรมฐานเราเป็น<ร>คนช่างคิดนะเพราะฉะนั้นเราดูใจของเราไปใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแป ล, ปลง ก, ก็ยกไปยิกทั้งวันเราคอยรู้เล่นๆแต่อย่าไปเพ่งใส่มันน ะ, ะดูเล่นๆอย่าให้เครียดถ้าเครียดแล้วทำผิดถ้าเครียดเราก็หยุดก่อนแล้วสบายๆแล้วก็ดูเอาใหม่แล้วตอนนี้หนูมีติดเพ่งมั่เพง่เพงอยู่กำลังเพ่งอยู่เอาเบอร์ยี่ยกมือ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 ไปฝึก อ, อีกไปทำอย่างนี้ต่อไปทำอย่างนี้เนี่ยนะจิตดีขึ้นเยอะแล้วเมื่อหกสิบสี่ยกมือกับนรมาสกาหลวงพ่อคะ่ะคือมาส่งกันบ้างครั้งแรกอะคะ่ะก็อยากจะมาถามหลวงพ่อว่าเดิมรู้สึกจิตเบาๆอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวก็หนักเดี๋ยวก็เบาก็ไม่ทราบว่า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 จ ใ, ใจมันวุบไปก็รู้ทันมันเป็นยังไงรู้ทันไปได้ไดหัดดูสภาวะไปแล้ววันหนึ่งสติมันจะเกิดขึ้นเองอย่างตอนนี้ใจลอยไปทราบไม้มเนี่ยใจลอยก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งไม่ว่ามันนะไม่ใช่ว่าห้ามใจลอยรู้ว่าใจลอยใช้ได้ละหัดดูสภาวะไปในชีวิตประจาวันทั่วไปนะครับลุณพ่อ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 หนูอยากทราบว่าหนูควรจะใช้อะไรเป็นเครื่องอยู่ดีคะหลวงพ่อดู<น>ดูจิตของเราไปเลยนะจิตมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทั้งวันอยู่แล้วเป็นคนคิดมากอยู่แล้วเาดูไปเรื่อยๆหนูเคยดูท้องพองยุบแล้วซักสักพักหนูรู้สึกปวดปวดหัวแล้วก็นั่นแหละเครียดไปไปดูแล้วไปจ้องใส่มันแนละเครียดนั่นหนูก็ดูว่าเวลาหนูเผลอไปคิดหนูก็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 ออกไปคิดอย่างงั้นอย่างนั้นไใช้้ดแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นแหละทําแค่นี้แหละพอแล้วทํามากกว่านี้ก็เหนื่อยนต่อไปเบอร์ร้อยสี่สิบแปดการนมัสการหลวงพ่อค่ะมาส่งกันบ้านครั้งแรกค่ะก็ฟังเสียงหลวงพ่อมาประมาณสี่ห้าเดือนแล้วค่ะไม่ทราบว่าตอนนี้ เห็นกิเลสไมสี่ห้าเดือนเนี้ยเห็นค่ะเ่วงแรกจะเห็นโทสะเย e อะมากค่ะแล้วก็เห็นอัตตาบ้างแต่ช่วงหลังๆจะเริ ata, ่มรู้สึกว่าต e ัวเองเพ่งดีแล้วก็ช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ทําอะไรแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าติดประคองอยู่ดีที่รู้ทันนะแล้วคนที่ไม่เคยภาวนาเนี่ยมาหัดดูสภาวะจะดูได้ง่าย ดูได้สบายๆอยู่ช่วงเดียวก็จะกลับไปเพ่งเหมือนกันหมดทุกคนแหละเพราะอะไรเพราะอยากดูให้ชัดขึ้นเพาอยากดูให้ชัดนะกลายเป็นเพ่งไปแล่นเรารู้ทันว่าเพ่งอยู่ดีแล้วไม่ต้องชัดก็ได้แล้วอยากให้หลวงพ่อแนะนํากรรมฐานที่เหมาะกับจิตของตัวเองนะคะนั่นแหละดูจิตอยู่แล้วใช้ได้ไม่ต้องทําสมาธิเพิ่มอะไรสมาธิถ้ามีโอกาสก็ทํานะทําเล่นๆทําเพื่อพักผ่อน